การสะกดจิตตอนที่หเมื่อตอนที่ห้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้ทราบว่าการสะกดจิตโดยปกติมีหลักอยู่สองประการคือ 1. เป็นการแนะือจูงใจให้ผู้ถูกสะกดใช้อำนาจจิตของตนสะกดตนเอง 2. การสะกดจิตโดยการใช้อำนาจจิตของผู้ที่ทำการสะกดโดยตรง หลักทั้งสองประการนี้ข้าพเจ้าได้ที่บายมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ละเอียดฉะนั้นในตอนนี้จะขอที่บายเพิ่มเติมอีกและสําหรับหลักการของการสะกดจิตประการที่หนึ่งนั้นข้าพเจ้าขอทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าโดยธรรมดาจิตใต้สํานึกหรือผวังขจิตนั้นเป็นจิตที่มีพลังสูงมาก สามารถบังคับร่างกายได้อย่างเฉียบขาดและเข้มแข็งมากอะไรก็ตามที่จิตตา้งสำนึกรับคำสั่งแล้วก็จะต้องปฏิบัติทันทีและตรงเวลาเสมอถ้าหากไม่มีคำสั่งอย่างอื่นไปแทรกข้อความอันนี้ข้าพเจ้าได้เขียนเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วขอได้โปรดอ่านหลายๆครั้งเพราะเป็นหลักสำคัญจากหลักอันนี้แหละ ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมการสะกดจิตเท่าที่เคยรู้หรือเคยเห็นกันนานจึงสามารถเป็นไปได้อย่างมหาศย์ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจหลักวิชาก็คิดว่าเป็นการใช้อำนาจจิตของผู้ที่ทำการสะกดตัวอย่างที่เห็นกันอย่างแพร่หลายก็เช่นทำให้ผู้ที่ถูกสะกดตัวแข็งขนาดนอนบนเก้าอี้ โดยที่ศีรษะวางอยู่กับเก้าอี้ตัวหนึ่งและตอนล่างตั้งแต่น่องถึงปลายเท้าวางอยู่กับเก้าอี้อีกตัวหนึ่งส่วนตอนกลางตัวไม่ได้วางอยู่บนอะไรเลยแต่ถึงกระนั้นคนที่ถูกสะกดก็แข็งตัวอยู่ได้ไม่งอลงแม้จะมีใครซึ่งตัวใหญ่ไปนั่งหรือไปยืนที่ท้องก็สามารถรับน้ำหนักได้ไม่งอลง และทำได้โดยไม่รู้สึกตัวด้วยซึ่งถ้าผู้ที่ถูกสะกดรู้สึกตัวและแข็งตัวไว้ก็จะไม่มีทางทำได้ตัวอย่างอย่างอื่นยังมีอีกเช่นเมื่อจูงใจให้ผู้ที่ถูกสะกดเคลือบเริมแล้วผู้ทำการสะกดก็จะสั่งให้เอามือทั้งสองจับกันให้แน่นแล้วก็ปลุกให้ตื่นแต่ไม่ได้สั่งให้เอามือออกจากกัน เป็นการน่าประหลาดมากที่ว่าทั้งที่คนนั้นตื่นแล้วรู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่อาจจะเอามือออกจากกันได้คนอื่นจะไปช่วยดึงออกจากกันก็ทำไม่ได้ทั้งที่ออกแรงอย่างเต็มที่วิธีที่จะให้มือออกจากกันก็คือต้องทำการสะกดใหม่ให้คนนั้นอยู่ในภาวะเครื่อเครื่อ แล้วก็สั่งให้เอามือออกจากกันและต้องสั่งให้ทุกอย่างเป็นปกติด้วยแล้วปลุกให้ตื่นคราวนี้คนนั้นจึงจะเอามือออกจากกันได้และมือทั้งสองก็มีอาการปกติเหมือนเดิมไม่มีการเกร็งเหมือนเมื่อตอนอยู่ในภาวะของการสะกดตัวอย่างหญิงอันหนึ่งเมื่อสะกดให้หมดความรู้สึกแล้ว ก็สั่งว่าในห้องประชุมที่เขานั่งอยู่นี้ไม่มีใครอยู่เลยเขากลับกันไปหมดแล้วแล้วผู้ทำการสะกดก็สั่งให้ลุกขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้ตัวอื่นปรากฏว่าเขาไปนั่งที่ตัวไหนก็ไปนั่งทับคนอื่นเพราะในขณะนั้นเขาเชื่อสนิทว่าในห้องประชุมนั้นไม่มีใครอยู่จริงๆไม่เห็น และก็ไม่รู้สึกตัวด้วยว่าตนเองไปนั่งทับคนอื่นเพราะความจริงในขณะนั้นภายในห้องประชุมนั้นมีคนที่เข้ามาชมการแสดงประมาณสามร้อกว่าคนและทุกคนก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้เต็มหมดทุกที่นั่งยังไม่มีใครลุกไปไหนเลยตัวอย่างทั้งสองรายนี้ข้าพเจ้าได้เห็นมาด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมของโรงเรียนพ่อช่างที่ติดอยู่กับโรงเรียนศูนกุหลาบเมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้วผู้ที่ทำการสะกดในครั้งนั้นคือคุนวิจิตสุขการซึ่งเป็นนายแพทย์ปริญญาท่านผู้นี้เคยเอาเด็กมาฝึกสมาธิโดยวิธีการสะกดจิตจนกระทั่งเด็กสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได้เหมือนคนตาดีทุกอย่าง ทั้งทั้งที่เอาผ้าผูกตาไว้อย่างสนิทรับรองได้ว่าเด็กนั้นไม่สามารถมองลอดผ้าออกมาได้อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เคยพิสูจน์ต่อหน้านักวิทยศาศาสตร์เช่นศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนและต่อหน้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมชมาแล้วและทั้งได้เขียนเป็นรายงานเสนอในวงการแพทย์มาแล้วด้วย และอีกเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เห็นด้วยตนเองแต่ท่านขุนวิจิตสุขการเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านเคยสะกดจิตโดยวิธีเอาดินสอดำจี้ที่แขนและบอกว่านี่คือเหล็กเผาไฟกำลังร้อนจัดผลปรากฏว่าที่ผิวหนังของคนถูกสะกดไหมเหมือนเอาเหล็กที่เผาไฟไปจี้ และคนที่ถูกสะกดนั้นก็แสดงอาการว่าร้อนเหมือนถูกไฟขี้จริงๆแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ซักถามว่าอาการไหม้นั้นได้หายไปหรือไม่ในเมื่อสั่งให้คนนั้นตื่นแล้วแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเคยเห็นตัวอย่างของความฝันรายหนึ่งซึ่งเขาฝันว่าถูกงู ก, กัดเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว รอยเขี้ยวงูที่ฝ่ามือตรงที่ฝันว่างูกัดนั้นก็ยังปรากฏรอยเขี้ยวอยูท่ทั้งที่เวลาได้ผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงคนนี้อยู่ที่เทเวศวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณสิบนาฬิกาเขาได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพร้อมทั้งให้ดูที่ฝ่ามือเพื่อความแน่ใจ ข้าพเจ้ากับคุณสีเพนได้ไปที่บ้านของคนคนนี้ในวันนั้นไปเข้าสมาธิตรวจดูที่บ้านก็ปรากฏว่างูที่มากัดในขณะนอนหลับนั้นก็ยังอยู่เป็นอันว่าความฝันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนึกฝันไปเองแต่เป็นเรื่องจริงงูตัวนั้นมีจริงเป็นงูโอปปติกะซึ่งเมื่อก่อนเป็นคน เคยมีเวรต่อกันจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้โดยเฉพาะเรื่องการสะกดจิตที่กระทำโดยท่านขุนวิจิตสุขการนั้นเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของจิตใต้สำนึกเป็นอย่างดีว่ามีมากขนาดไหนแต่เรื่องเด็กที่เอาผ้าผูกตาแล้วเห็นอะไรต่ออะไรได้ และเรื่องที่ฝันถูกงูกัด น, นั้นจะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกหลายอย่างด้วยจึงจะเข้าใจแต่ในครั้งนี้จะขอผ่านไปก่อนเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องราวของการสงกัจิตดังที่เล่ามานั้นก็ดีและยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายก็ดีเราจะยอมรับว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่การเล่นกลหรือการโกหกหลอกลวงแต่ประการใดก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกจนกระทั่งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าตัวการที่สร้างสรรร่างกายและควบคุมบังคับร่างกายของคนเรานั้นก็คือจิตใต้สำนึกหรือพวังขจิตนี่เองใช่แต่เท่านั้น บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือคนซึ่งเกิดและเจริญเติบโตมีชีวิตยอยู่ได้เพราะอาหารนั้นเป็นเพราะจิตหรือวิญญาณสร้างสรรค์ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในร่างกายขอได้โปรดพิจารณาดูของแข็งแข็งในร่างกายเช่นกระดูก ซึงเกิดจากอาหารตัวการที่ทำให้วัตถุธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมมารวมกันเป็นกระดูกนั้นก็คือพลังอำนาจของจิตใต้สานึกนั่นเองเมื่อเข้าใจความจริงขั้นมูลฐานเหล่านี้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยว่าเหตุไรการสะกดจิตจึงสามารถทำอะไรได้อย่างประหลาดประหลาดเช่นนั้น และจะเข้าใจไปจนกระทั่งเรื่องเหนียวเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเรื่องคุณเรื่องสายเรื่องอำนาจเวทมนต์คาถาเรื่องการทำสเสน่ห์เรื่องอำนาจของพ่อมดหมอผีเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้มาจากแหล่งเดียวกันคือการรู้จักใช้อำนาจของจิตใต้สานึกซึ่งใครจะเก่งแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ว่าใครรู้จักนำมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและเรื่องที่เขียนมานี้ก็เพียงแต่ชี้ให้เห็นหลักเกณฑ์นในทางวิชาการเท่านั้นไม่ได้พูดถึงวิธีการฝึกเพราะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปที่จะนำมาเขียนไว้ในที่นี้และอีกอย่างข้าพเจ้าก็ไม่สันทัดในเรื่องการสะกดจิต เพียงจะรู้หลักว่าเขาทำกันได้อย่างไรก็นำมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นการสะกดจิตวิธีที่สองคือการใช้อานาจจิตจากผู้ทำการสะกดโดยตรงนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านได้ฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้ก็คงจะมองเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสองปีมาแล้วข้าพเจ้ากับคุณสีเพ็นได้รับเชิญจากคุณอนุวัฒน์อนุรักษ์ติพันธ์ให้ไปรับประทานอาหารที่ฮันนี่ในาครับที่ถนนสุรวงศ์ในเวลากลางวันความประสงค์ก็เพื่อต้องการให้ข้าพเจ้ากับคุณสีเพนไปรู้จักกับผู้จัด ก, การในาครับแห่งนี้พระผู้จัด ก, การคือคุณทรง ก็อยากจะพบข้าพเจ้ากับคุณสีเพนมานานแล้วเนื่องจากคุณทรงสามารถเข้าทรงได้แต่ไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามีใครมาเข้าทรงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็เชิญข้าพเจ้ากับคุณสีเพนเข้าไปในห้องพระของเขาซึ่งก็อยู่ภายในนัยคลับนั่นเองห้องพระของคุณทรงใหญ่มาก บรรจุคนได้ประมาณยี่สิบคนมีพระพุทธรูปต่างๆมากมายครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ให้คุณทรงเข้าทรงให้ดูหล้างจากที่คุณทรงจูบเทียนบูชาพระทำพิธีอยู่ไม่ถึงสิบนาทีคุณทรงก็มีอาการสั่นๆเหมือนคนเข้าทรงทั่วไปและถามอะไรก็ตอบได้เป็นเรื่องเป็นราวน่าเชื่อถือเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาเข้าทรงเพราะในขณะที่คุณทรงกำลังเข้าทรงอยู่นั้นข้าพเจ้าได้บอกให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปดูคุณสีเพนบอกว่าเห็นมีแต่แสงสว่างเป็นลำพุ่งมาจากที่อื่นตรงมายัางร่างของคุณทรงตัวโอปะปะติกาที่สรงพลังแสงมามองไม่เห็นฉะนั้นจึงรู้แน่นอนว่า คุณทรงไม่ได้แกล้งทำและทําให้รู้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าการเข้าทรงไม่จําเป็นจะต้องมีวิญญาณหรือโอปะปะติกะมาคอยเพ่งอยู่ใกล้ๆเพราะการเข้าทรงก็คือการสะกดจิตแบบหนึ่งนั่นเองวิญญาณที่มาเข้าทรงไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างของคนทรงดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกันฉะนั้น เมื่อมาได้เห็นตัวอย่างเช่นนี้จึงรู้ว่าคุณทรงเข้าทรงจริงไม่ได้แกล้งทำและแล้วข้าพเจ้าก็บอกคุณทรงว่าวันนี้ยังไม่ทราบว่ามีใครมาเข้าทรงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันหลังไปเข้าทรงให้ดูที่สำนักของข้าพเจ้าแล้วจะได้ตรวจดูให้ละเอียดว่าใครแน่ที่มาเข้าทรง วันต่อมาคุณทรงก็มาที่บ้านข้าพเจ้าและเข้าทรงให้ดูคราวนี้เห็นชัดผู้ที่มาเข้าทรงคือหลวงพ่อสุวัดมะขามเท่าข้าพเจ้าได้ถามว่าทำไมวันนั้นหลวงพ่อไม่ปรากฏตัวให้เห็นท่านตอบว่าที่นั่นเป็นอโครจรพระไม่ควรเข้าไปท่านจึงได้ทรงแต่อํานาจจิตมาเท่านั้น อันหนึ่งในวันนั้นนอกจากหลวงพ่อสุขแล้วหลวงพ่อโอภาสีก็มาเข้าทรงด้วยจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการสะกดจิตที่มาจากคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรและจากข้อเท็จจริงที่ว่าคนส่วนมากเป็นคนทรงไม่ได้หรือถึงจะเป็นได้ก็ไม่สมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าคนที่มีอำนาจจิตสูงสามารถสะกดคนอื่นได้นั้นก็ไม่ใช่จะสะกดได้ทุกคนและคนที่สามารถจะสะกดคนอื่นได้จริงๆก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจจิตสูงมากคืออย่างน้อยเมื่อตนเองเข้าสมาธิไปแล้วจะต้องสามารถมองเห็นแสงภายในใจของตน และสามารถรังคับแสงให้สว่างแค่ไหนหรือให้พุ่งไปทางไหนก็ทำได้ต้องมีสมาธิดีถึงขนาดนี้จึงจะทำการสะกดจิตคนอื่นได้โดยธรรมดาคนเราเมื่อหลับตาทำสมาธิใจสงบแล้วจะต้องเห็นแสงสว่างในใจไม่มากก็น้อยคือถ้าใจสงบน้อยแสงสว่างก็มีน้อย ถ้าใจสงบมากแสงสว่างก็มีมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนทุกคนเพราะโดยปกติแสงซึ่เกิดจากใจนั้นย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคนเช่นในกรณีของคนที่ถูกตีที่ศีรษะหรือศีรษะไปโดนอะไรก็มักจะเห็นดาวระยิบระยับและแสงที่เห็นระยิบระยับเหมือนดาวนั้น ก็คือแสงซึ่งเกิดจากใจนั่นเองและเนื่องจากใจมีความสัมพันธ์กับสมองอย่างใกล้ชิดมากฉะนั้นเมื่อสมองหรือประสาทได้รับความกระทบกระเทือนแสงที่เกิดขึ้นจึงเห็นเป็นประกายขอให้สังเกตว่าในขณะที่ศรีรษะไปโดนอะไรนั้นในชั่วขณะที่โดนนั้นใจจะต้องเป็นสมาธิอยู่ชั่วขณะ แสงจึงจะปรากฏให้เห็นและที่เห็นนั้นความจริงไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจเพราะในขณะที่เห็นดาวนั้นแม้หลับตาก็จะเห็นเหมือนกับลืมตาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิแสงที่เห็นในใจจะไม่กระจายเหมือนเห็นดาวระยิบระยับ แต่จะเห็นเหมือนแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือเกิดจากเทียนอะไรทํานองนั้นและแสงที่ว่านี้บางทีก็หายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ทั้งนี้สุดแลแต่สมาธิจะมั่นคงอยู่นานแค่ไหนปรากฏการเกี่ยวกับแสงนี้มีรายละเอียดมากในที่นี้ขอให้เข้าใจแต่เพียงว่า แสงที่เห็นในใจนั้นเกิดจากจิตและแสงนี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นและเพื่อต้องการจะให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่าแสงสว่างเกิดจากจิตจริงๆฉะนั้นข้าพาเจ้าก็ใคร่จะเสนอหลักฐานให้ท่านได้เห็นสักนิดหน่อยดังนี้สัปปะพาสังจิตตังพาเวติแปลว่า ทำจิตอันเป็นไปกับด้วยแสงสว่างให้เกิดขึ้นหรือแปลว่าทำจิตให้เกิดมีแสงสว่างซึ่งหลักอันนี้ถ้าพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยทรงชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จะสามารถมีทิพยยะจักษุดได้นั้นจะต้องทำสมาธิให้เกิดแสงสว่างเหมือนกับแสงสว่างในเวลากลางวันยามท้องฟ้าปลอดโปรง่ง ไม่มีเมฆเลยจึงจะเห็นอะไรต่ออะไรได้เพราะเหตุที่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วแสงสว่างย่อมเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์อันนี้เราจึงสามารถใช้แสงเป็นเครื่องวัดถึงอำนาจหรือพลังของจิตได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนและอีกประการหนึ่งแสงที่ว่านั้นเราจะถือว่าเป็นกระแสจิตก็ได้ และโดยธรรมดาในร่างกายของคนเราที่เคลื่อนไหวได้พูดได้ทําอะไรได้ต่างๆนั้นเป็นเพราะมีกระแสะจิตไปบังคับควบคุมเพราะสิ่งที่เรียกกันในทางแพทย์ว่ากระแสะประสาทนั้นความจริงก็คือกระแสะจิตนั่นเองถ้าเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ดีเราก็จะเข้าใจได้ง่ายว่า การสะกดจิตจากคนอื่นอย่างเช่นในกรณีของการเข้าส่งนั้นย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน